พอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องสรีระรัตถธรรมสูตรสูตรที่ว่าโดยธรรมะที่ติดอยู่กับตัวเราตลอดชีวิตซึ่งเป็นหลักที่พระเจ้าทรงสอนให้ บุคคลพิจารณาไว้บ่อยๆหรือว่ามีชุดหนึ่งที่เป็นปริยายเทศนานะคือเป็นนัยยะหนึ่งจริงๆแล้วก็คือแสดงหลักการปฏิบัติตามโครงสร้างของอริยสัจสี่นั่นเองรับสั่งแสดงว่า ทำสิบประการบุคคลควรพิจารณาหนึ่งเนืองพิจารณาอยู่ล่อ ย, อยพิจารณาเสมอในว น, นี้ที่เราคุ้นมากก็คือเรื่องห้าเรื่องแแก่เจ็บตายแล้วการพลัดพรากแล้วกรรมห้าเรื่องที่เรียกว่าอภินหาปั จ, จเจกขณะส่วนใหญ่เราจะใช้ใช้ห้าข้อนี้นะ แต่ว่าในที่นี้คือถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นการมองในคนระดับคือให้พิจารณาถึงความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจนละปวดปัสสาวะความสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมอาชีพแล้วก็ ธรรมะที่ตกแต่งพบชาติเพื่อการบังเกิดในชาติต่ตอไปอันนี้พูดชัดนะะาความว่ายัางเกิดอีกนะบอกไว้ว่าให้พิจารณาไอ้หกข้อแรกนะท่านจะเห็นว่าเป็นสภาวัดธรรมแต่มันก็สร้างปัญหาให้แกเราตลอดชีวิต เราก็ไม่เคยพลาดพรากกับเขานะฮะเขาก็วุ่นอยู่กับเราตลอดพวกหนาวร้อนเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติมีอยู่ทั้งภายในมีอยู่ทั้งภายนอกเราก็เจอเขาตลอดลเราก็มีปัญหากับเขาตลอดต้องแก้ไขเรื่องหนาวเรื่องร้อนเนี่ยเนะฮะสองเรื่องนี้ก็เรียกว่าตลอดชีวิต การวิจารณานั้นวิจารณาหลายแนวแนวทั่วไปนะฮะแนวทั่วไปนะี่คือแนวอดทนซึ่งเคยพูดมาว่าคำสอนแนวหนึ่งที่ทรงแสดแงใกล้ๆกับเก้าอี้นิรภัยทรงวางเป็นสี่ข้อ หม้ยความว่าสิ่งอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบริโภคใช้สอยในย่ันใจกรรมเสพก็คือไปใจเสีพิจารณาแล้วเว้นก็คือความชั่วพิจารณาแล้วอดทนคือเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายพิจารณาแล้วบันเทาก็คือความคิดที่เป็นอกุศลตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะมายความว่า พวกหนาวพวกร้อนเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติถ้าเราไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้เออไม่ต้องทาอะไรกันหนาวก็ต้องทนเอาร้อนก็ต้องทนเอาเราจะเจอหนาวยังไงนะฮะมันมีคนที่หนาวกว่าเราแล้วก็บางโอกาสเนี่ยเราเองก็เคยเจอหนาวมากกว่า น, นี้เราก็ต้องทนให้ได้ แล้ความคิดแนวนี้บางทีท่านคิดเลยไปถึงนรกนรกหนาวว่าหนาวในนรกนะ่ะมันหนาวมากกว่านี้เพราะหนาวที่นี้มันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังมีหนาวขึ้นไปยิ่งกว่านี้แต่เราทนตรงนี้ไม่ได้นะะต่อไปเราก็ทนอะไรไม่ได้พอร้อนร้อนมันก็พิจารณาอย่างนั้นอีกนะฮะ ตัวเราเองก็เคยเจอร้อนมากกว่า น, นี้และแม้แต่ว่าเราไม่เจอนะเพื่อนร่วมโลกกับเราเนี่เจอมากกว่า น, นี้แล้วก็มีร้อนไฟนรกคือคิดลึกไปเรื่อยๆคิดลึกไปเรื่อยๆว่ามันไม่มีอะไรที่ยิ่งนะมันมันไม่มีความทุกความเล็มเละ เ, เลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นแกเราไม่ต้องมาถามตั้งปัญหาถามมาทําไมยังต้องเป็นเรา แต่ตอนเข้าผ่าตัดเมื่อคราวนี้นะฮะ<ม>ที่เพิ่งออกมาเราก็ได้อะไรยเยอะนะใน จ, จริงก็ดีกันนะ้วก็เจ็บนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยอะมากแต่ทุกวันยังเจ็บอยู่เออแต่มันก็ได้อะไรนะะแต่เพิ่งรู้เมื่อตอนออกมาจากโรงพยาบาล เจ้าคณะอำเภอที่บุรีรัมย์เป็นห่วงเป็นใหญ่มีบระสนเทศดาดมาทั่วประเทศเเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าจังหวัดมุกดาหารก็ส่งมาให้มาถึงที่วัดนี่เจอโยมสมาชิกพุทธสมาคมก็ส่งมาให้เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะว่าถูกดาดกลัวจะมาจะเดือดร้อนกลัวจะหมดกำลังใจแต่จะทำงานแต่ยังไม่ตอบใครนะไม่ตอบใครว่าคนก็แสดงความเป็นห่วง คนนอนก็สแสดงความเป็นห่วงคนคนบางพวกก็ห่วงเรื่องป่วยนะฮะหวัวป่วยกายากลัวเราจะป่วยใจด้วยนะฮะแต่เราก็ก็ก็มองดูมก็ดีนะฮะในขณะที่เรานอนป่วยเราช่วยรัฐบาลได้เป็นล้านนะฮะเรก็ส่งไปทั่วประเทศนะฮะไปตีนีแผนหนึ่งก็บาทหนึ่งรัฐบาลก็ได้กล่า <c oughs> ไปตุนิยกรเยอะเลยนะ ช่วยคนขายกระดาษช่วยคนจงหนังสือเราเราช่วยคนได้เยอะนอนนอนทำไมมีเราให้ด่าเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้พระที่วนี้ได้ข้าไปวนี้บาสดนี่ก็นึกแล้วก็ขำอ่ะก็สงสารเขาด่าก็ช่วยๆนะะด่าแล้วคนอื่นก็จะแก้ต่างให้ขนาดรัฐบาลส่งคนไปสืบเลย ว่าจังหวัดนครมณโฑแรงามมรางานรัฐบาลรัฐบาลตรงวงกดมาสืบถามหลวงพ่อติดใจใครผมไม่ติดใจใครด้ว ย, ย, ววยก็ดีแล้วเลยช่วยกันแล้นอนนอนก็เพื่อนก็ช่วยช่วยด่าให้พอถามให้คนรู้จักเรานู้ถึงเราขึ้นมาก็หลายหลายคนฮนะรัฐบาลก็ได้เยอะเพราะทุกกรเวทานาต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเช้านิยมไปถามว่า ตอนก่อนค้าผ่าตัดได้คิดยังไงก็ไม่ได้คิดยังไงนะะคิดว่าเรื่องผ่าเป็นเรื่องของหมอเราก็เชื่อหมอแต่ว่าตอนตอนตรงนั้นมันก็มีสองอย่างนะคือห้าสิบห้าสิบตายกับรอดมันก็มีสองอย่างแต่นั่นเองมันไม่มีที่สามนะก็ตายก็ดีเหมือนกันก็อยู่มาตั้งห้าสิเก้าปีแล้ว เราก็อยู่นานกว่าคนอื่นทั้งเยอะเลยเด็กๆตายก่อนเราเยอะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกนะันน่ยมานั่งคิดอยู่ตอนเนี้ยอีกอีกสิบสามปีอายุเราก็เจ็ดสิบสองนึกว่าสิบสามปีมันก็ไม่เคยนานอะไรแต่เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าอยู่ถึงเจ็ดสิสามปีหรือเปล่าเจ็ดสิบสามปีหกรอบก็อยู่ ถ, ยถึงก็ดีก็ได้ทํางานแล้วชกาลศาสนาอยู่ไม่ถึงก็ดีเหมือนกัน น, นะฮะ ตัวแต่งพวกชาติเลยเกิดใหม่มันก็ดีทั้งนั้นนะฮะเพราะาเราก็มองในแง่ที่มันมันอย่ามองในแง่รายและมันไม่มีอะไรอะไรเดือดร้อนถ้าเรานี้เป็นห่วงโกร บ, บันดึกระดึงทึ่งคืนนะฮะกลัวว่าจะเสียกำลังใจกลัวจะหยุดทํางานก็ลงนําชาวคริสต์กลุ่มหนึ่งรณรงค์คล้ายๆก็ให้ต่อต้านนั่นนะฮนะ แต่เรามองกลับมองเ ร, เรากลับมองในแง่ดีแล้วก็ไม่ได้คิดจะแก้แก้อะไรเขาถามว่าจะให้แก้อะไรจะช่วยอะไรมีคนก็เปล่านามาเะผมไม่ต้องสมัยจอมพลถนอมบวชเนี่ยโดนหนักกว่านั้นบางทีมี่บัจสนเทเนี่ยเป็นกล่องเลยนะ่ได้สมัยทำงานเรื่องรันเตียโศกประกาศิญยกรรมเนี่นยาาเป็นกล่องเลยลูกศิษย์ต้องเก็บเลย สรารวัตรใหญ่จะน่าสงครามต้องส่งคนตรงตรํำรวจมารับปัตรนเทศแทนหนมันเยอะเหลือเกินแต่เราเราได้ช่วยประเทศเยอะเนี่ยก็ช่วยในการทํางานก็ช่วยนะช่วยในค่าเบ็ดตนียกรก็ช่วยแมันก็ได้ส่งจดหมายถึงใครนะ่ะแต่เพื่อนช่วยด่าแล้วก็ส่งให้ก็ช่วยซื้ อ, อ น, นั้นก็คืออารมณ์ที่มากระทบ แั้ก็กลายเป็นเป็นบทเรียนที่ช่วยนะะก็ช่วยอะไรได้เยอะแล้วก็อาจจะช่วยคิดถึงกรร ม, มนะฮะว่าชาติก่อนคงไปเชื่อคอใครไว้อนะไอชาตินี้โดนเจาะคออะไรก็เพราะงั้นอแนวแนวสภาวะท่านจะเห็นว่าออนนี้ก็คือสภาวะไปเป็นทุกขนะ์นะฮะไปเป็นทุกข์ตามสภาวะของมัน มันมีอะไรยิ่งกว่าเยอะซึ่งพระโมคคราชท่านพระเป็นพระอรหันนะท่านท่า น, ท, านท่านเิดไปนั่งกลางแดดนั่งกลางแดดร้อนจาอเราพระหนุ่มๆก็เข้าไปถามพระงพ่อทําไมนั่งกลางแดดไม่ร้อนเลยท่านบอกว่าคุณไฟนรกแตามันร้อนมากกว่านี้เยอะคือถ้าต้องการสอนพระซึ่งประพุติไม่เรียบร้อยนะฮะ ไมเรียบร้อยแต่มันก็จุนจานวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากจะสอนตรงๆท่านก็มีายวิธีให้คิดว่าการราพึ่งอย่างนั้นเนีย่ยที่พวกคุณอยู่ในร่มเนะี่ยที่จริงคุณเตรียมจะร้อนนะนะแต่ว่าท่านอยู่กลางร้อนเนี่ยท่านไม่ร้อนเพราะท่านไม่ยึดแต่ไม่ยึดก็ร้อนเพราะยังมีร้อนได้ยิ่งกว่านั้นท่านก็ไม่ติดยึดติดในความร้อนที่กำลับบงประสบ เพราะหนาร้อนจึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาประหาการพยายามปรับตัวให้อยู่ได้เต้นเตที่เขามายัางยั ง, ยงมองเห็นนะครับว่าตอนไปอยู่อินเดียกับกลับมาเมืองไทยเนี่ยความั้าทานในเรื่องนี้ผิดกันเยอะตอนอยู่อินเดียมาคนได้48องศาเนี่ยนะโอ้มันร้อนน่าดูเลยนะย อาบน้ำเสร็จอาผ้าโพกหัวมาเดินเนี่ยแห้งขึ้นขึ้นหอพักนี่ผ้าแห้งหลยอาน้ำที่บ่อนะฮะน้านของน้านขึ้นมาถึงก็ผ้าแห้งยแต่ทาให้รบ ก, กลานมากทำไม่รบ ก, กลานพอมาถึงอยู่เมืองไทยสบา ย, ยก็ไม่ไม่ร้อนแต่ตอนนี้ชักเสียนิสัยนะฮะเลยก็อยู่ในห้องแอร์อยู่เรื่อยๆก็ชักเสียนิสัย <laughs> ก็ทนร้อนไม่ค่อยได้แต่เราก็ต้องรู้ว่า ร้อนน่ะมียิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะนั้นก็ต้องพยายามทนหนาวร้อนนะฮะและหิวกระหายอันนี้ ก, ก็ก็ที่จริงก็คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสภาวะธรรมร่างกายเรามันเป็นเหิวซึ่งผมผมไม่เต็มนะฮะอย่างไงก็ตามก็โถมไม่เต็มแต่การสืบต่อชีวิตมันก็อยู่ได้ด้วยอาหารอาหารนั้นมันเป็น เป็นสังขารซึ่งไม่เที่ยงกินเข้าไปมันก็ย่อยนะมันก็บมันก็เปลี่ยนแปลงอิ่มก็หิวอิ่มก็หิวเพราะอิ่มมันก็เริ่มหิวนะที่จริงอาการหิวมันยังไม่ปรากฏแต่นั้นเองเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันก็เริ่มย่อยไปเรื่อยมก็เริ่มหิวมาเรื่อยๆถึงจะดื่มก็หิวต่อหิวก็ดีกระหายก็ดี ก็มองในแง่หนึ่งค่อนข้างจะลึกซึ้งนะฮะตอนนี้มองค่อนข้างจะลึกซึ้งไปหน่ก็คือมองในแง่ของเป็นสภาวะธรรมที่มันอยู่กับเหตุปัจจัยมันอยู่ไม่ได้นานน ะ, ะเพราะมั น, ม, นมันเป็นของไม่เที่ยงยังไงก็อิ่มยังไงมัน ก, มนก็มันก็หิวอ่ะมันก็หิวอีกเป็นธรรมดาบางอยู่ในอยู่ในบางสถานการณ์ในบางเหตุการณ์ตัวความหิวเสียดแทง มันก็ต้องมองที่ยิ่งกันไปกว่านั้นก็มองแนวเดิมว่าไ ม, ม่มีความหิวที่ยิ่งกันไปกว่านั้นอย่างคล้ายๆก็มองมองพูดเรื่องผ่าตัดให้ไกลหัวใจทั้งเยอะอะไ ร, รหัวใจทั้งเยอะพอถึงผ่าตัดหัวใจก็ดีนะคนคนคนอื่นก็ผ่าทั้งหลายแกล้งเราผ่าครั้งเดียวเองมันก็คิดให้ดีนะก็พยายามคิดได้ดีไปเรื่อยๆเพื่อจะ ให้ไม่ไปท้ำเติมตัวเองคือไม่ไปคิดท้ำเติมตัวเองแ ค, แค่กระทุกทั้งหมดมาอยู่บนหลอดทั้งหมดเลยเราหิวที่สุดเราหนาวที่สุดที่จริงมันไม่มีที่สุดไอ้ตาลพี่เราหิวเกือบตายหนาวเกือบตายปวดเกือบตายมันไม่ตายอะนะมนไม่ตายหรอกคนปวดมากกเรายัางไม่ตายเลยคนเจ็บมากก็รายัางไม่ตายแล้วสมมติ ว, ว่าตายมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะฮะ ก็ตามก็ธรรมดาอย่างหนึ่งนั่นเเพราะมองในแง่ของการหิวกระหายซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องบรรเทาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าพวกปัจจัยสี่ถ้าเราเป็นนายมันเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากมันถ้าเราเป็นทาสมันเราก็เดือดร้อนเพราะมันเยอะนะ อ๋ะะอเฉพาะเฉพาะหิวกับกระหายนะฮะอย่างที่เราพูดเราสังคมไทยเป็นสังคมบริโภคมันมีให้กินได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยนะได้ยางนึกว่าไม่มีที่ไหนในโลกมัง้งจะเป็นอย่างงี้นะตอนที้เคยไปประเทศอินเดียเราจะเห็นว่าแต่เรานั่งรถบัสไปจะแวะพัตตาคาเราคนกินข้าวไม่มีทางฮะไม่มีพัตตาาให้กินหรอก ต้องเตรียมอาหารไปแต่จะซื้อจะกินจะสั่งอะไรตามชอบใจเนี่ยเราก็สั่งไม่ได้ก็ไม่ขายให้ต่เบืองไทยเราในเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นเลยจะนอนสังเกตว่าจากการเป็นสังคมที่บริโภคเนี่ยมันก็ปรุงแต่งแข่งขันในเรื่องบริโภคจนไม่รู้ว่าจะ จะอยู่ตรงไหนเพราะบริโภคแล้วมันไม่จะกินคนเดียวกินมาโฆษณาเพื่อนด้วยออกรกอัรทัดโฆษณาบริโภคอยู่เยอะเลยชวนเชิญให้ชิมแต่จานนันะ้เท่าไหล่ยเป็นกินอาหารมือเป็นร้อยเป็นพันๆเลยนะคนก็อยากกินก็ดิ้รนเพราะอยากกินในที่สุดมันก็ผลักดันให้ คนบางคนเนี่ยพร่นลักขโมยเพื่อจะได้กินปาต ก, กาศนะที่เรามีข่าวโดยคนบางคนก็แต่งตัวเช่าสูตรอย่างดีครับไปกินอาหารปาต ก, กาศแล้วก็ไม่มีตต่างจ่ายยอมติดคู่ก็ไนนะไรเนี่ยอันนี้ก็คือก็คืออะไรก็คือว่าขาดการพิจารณาปัจจัยสี่โดยเฉพาะในเรื่องอาหารว่าอาหารมันเป็นอาหารกายอ่ะนะพิจารอนถอนถอนอถอน พิจารณาเหมือนกันนะตอนนี้ก็เรียกตังกันนีิกับปั จ, จเวกขณะพิจารณาในขณะนั้นพิจารณาสามตอนเรื่องอาหารเรื่องใหญ่มากแต่ไม่ใช่แบบกรรมฐานาพิจารณาทั้งครึ่งวันนะ่นนะถึงมาถึงมาดูวิธีกรรมฐานนี่ยมาไม่เห็นด้วยไม่ใช่วิธีนั้นนะนะคือปัญหาสําคัญว่าเราให้เห็นจริงมไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ มันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าเราหยุดตัวเองได้ไหมเราหยุดความอยากอาหารตัวนี้ได้ไหม่ใช่นั่งพิจารณาแล้วรอดได้ตั้งครึ่งบาทพิจารณาไปกินกินคําโตๆอะไรอกินบางทีก็เสดอาหารให้เพื่อนกินด้วยลูกศิษย์ก็แย่งกันฆ่าวัดด้วยโมหะเสดอาหารอาจารย์เสกแล้วอาจารย์เสกแล้วแย่งกันลูกศิษย์ก็รมฐ า, านอ่า คือเราเห็นนะ่ะเราเห็นว่าอาหารเนี้ยมันมันก็เพื่อบรรเทาความหิวเก่าป้องกันความอิวใหม่ให้ร่างกายมีเดี่ยวแรงสามารถประพฤติปฏิบัติมาได้ก็พอแล้วอาหารมากยังไงก็ตามเราปรหยุดตัวเราได้โดยไม่ถึงก็อิ่มไม่ใช่ว่ากินเอากินเอาแล้วเสร็จแล้วก็โฆษณาขายยาย่อยอาหาร อย่าย่อยอาหารโฆษณาอีกนะฮะอย่าย่อยอาหารวางเต็มโต๊ะเลยกินเอากินเอากินเอากินเอาเสร็จแล้วก็โฆษณาอย่าย่อยอาหารไปทําลายอวัยวะตัวเองด้วยทําลายทรัพย์สินตัวเองด้วยทําลายตัวกระพตัวเองด้วยแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายตัวเองด้วยแล้วสร้างค่านิยมผิดๆได้เกิดขึ้นแก่สังคมเพราะงั้นแนวการพิจารณาเนี่ยท่านถือเป็นอริยวงศ์นะฮะเป็นวงศของพระริจัก ว่าสํานว์บาลีนี่ท่านใช้ดีฮะใช้คำว่ายาปนมะตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้ให้ชีวิตมันอยู่ได้กันแล้วกันนี่ยเหมือนกับน้ํามันหยอดเครื่องยนต์เนี่ยให้เครื่องยนต์มันวิ่งได้กันแล้วกันยี่ห้ออะไรก็ช่างมันเนี่ยในน้ำมันมันไปได้กันแล้วกันในรถมันไปได้นั้นคือเงื่อนไขที่สำคัที่สุดว่าให้ชีวิตนี้ดําเนินไปได้เพราะยังไงเราก็ต้องอาศัยเขา ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้นะอาหารมากก็ไม่ดีอาหารน้อยก็ไม่ดีเขาเรียกว่า อ, อาหารสับไปะยะคืออาหารต้องไม่มากก็ไม่น้อยเพราะนั้นต้องต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้มากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาเพื่อไม่น้อยเกินไปด้วยเพราะอาหารจะ ต, ต้องให้ความสบายคืออาหารสับะยั่งเป็นเป็นการสะดวกในการดํารงชีวิต โดยการปฏิบัติภารกิจการงานแล้วก็เสริมสร้างสติสัมปชัญญะทั้งยื่ทั้งกระหายนะปุรุจา ร, ปรจารปรุารปรสภาวะเป็นทุกขเวทนาอีกประการหนึ่งนะซึ่งที่จริงแล้วก็ต้องบัเท่าแต่มันก็อยู่ที่สถานการสถานการที่มันมันอาการเหล่านี้มันก็ธรรมชาติธรรมดาแต่ว่า คือทำยังไงอย่ต้องทนต่อเรื่องต่อ น, นี้บ้าง ก, ก็คงใช้แนวอดทนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปทนจนจนเกินเหตุเกินผลระวังมันกระทกระเทือนต่อสุขภาพพวกนี้ก็คือแนวพวสภาวะทั้งหลายใช่ไหมฮะมันมน่ะติดอยู่กับเราตลอดไปเราก็เราก็อยู่กับเขาตลอดไปเขาก็อยู่กับเราตลอดไปแล้วเขาก็ไม่เคยเลิก เราไม่เคยปกติกับเขาหก อ, อย่างนี้เราก็ยุ่งจังแล้วนะหก อ, อย่างเนี่ยหกอย่างหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่ยุ่งจังเลยลองติ๊กเวลาไปดูตะวันก็ได้นะแต่ันยุ่งกับพวกเนี้เวลายี่สี่ชั่วโมงมันหายไปเท่าไหร่กไอ้ไอ้พวกหก อ, อย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยนะไม่ไม่ใช่คนแก่ก็ยิ่งคนแก่ยิ่งแย่เลยเนะฮะยิ่งแก่ยิ่งแย่หละเราเสียเวลาเพราะเพื่งองเหล่านี้เยะ แต่เราก็ต้องอยู่กับเขาไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องเกีชีวิตประการต่อไปคือการสํารวมกายเรื่องใหญ่สํารวมกายเนี่ยมันก็สํารวมหลายชั้นเนี่ยนะฮะชั้นหนึ่งก็คือชั้นศีลว่าทํายังไงกายเราก็สามเรื่องนะกายเราจะเห็นว่าสามเรื่องแต่นั้นเอง อย่าไปคิดมากนะธรรมะสอนไปเถอะพระไตรปิฎกทั้งสี่สิบห้าเล่มมาเถอะมันตัวเรื่อเรื่องเรื่องกายเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยเพาสัมรวมสํารวมในเรื่องนี้อย่าให้ไปละเมิดอย่าไปละเมิดต่อกายต่อทรัพย์ต่อคู่ครองของคนอื่นได้หรือ ก็ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เราอาจจะสงสัยเอฟบูตัญาทำไมพูดในเรื่องปานาตินากามเมวมันก็เท่านั้นเนี่ยนะโลกนี้มันวุ่นอยู่คำนั้นเองแล้วที่แรงแรงที่พวกเซิร์ฟ พ, พวกโซโมาเลียพวกอะไรที่วุ่นวายในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าอาตากรรมสามข้อนี้แรงที่สุดเลยแรงจนน่ากลัวมากมันก็สงครามโลกครั้งที่สอง ปราศีอะไรที่ทำแรงเลยเกิดมันก็ไม่มีอะไรฮะคือปรทัทธร้ายร่างกายปรทัทธรับปทัทธร้ายทางเพศแล้วก็รุนแรงแรงไม่น่าเชื่อเลยว่ายุคนี้มันมันเป็นยุคที่ที่ศีลธรรมน่าจะดีขึ้นเนี่ยนะฮะศีลธรรมตกต่ําแรงมากฟังผู้แทนอภิปรายที่สภาแล้วก็ตกใจรัฐบาลก็เงียบมาตอบไม่ออก แต่จริงเรื่องนี้มารู้มานานแล้วนะมีคนก็นมาล่าคนไทยไปเรียนฝรั่งอะไรเรื่องเรื่องเรื่องแย่ๆเนี่ยก็มีตั้งหลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็แผ่เมตตาไปก็อย่างน้อยที่สุดที่เราแก้ที่เราก่อนเนะี่ยไปสำรวมในชั้นศีล หมายความว่าไม่กระทำละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อผู้พร้รองของบุคคลอื่นหรือสนับสนุนให้คนอื่นกระทาเอาขนาดสองต่อก่อนอย่าไปถึงตอนที่3ามถ้าตอนที่3ามได้ก็ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยสองต่อเนี่ยได้ก่อนไม่ทำเองไม่ใช้คนอื่นทำพวกนี้ํำนวนบาลีท่านเรียกว่าสาหสติกะประโยคกับอนานาติกะประโยคคือหมายความว่าทำเองก็ผิดใช้คนอื่นทาก็ผิด ใครก็จะพ่อยิงเองก็ผิดจะพ่อส่งลูกน้องไปยิงก็ผิดเนี่ยนะรลักก็เหมือนกันประการที่สองนี่เขาเรียกว่ามันญาตน ะ, ะสํารวมในศีลอาจาระมัญญาตสถานชีหลายแห่งหลายระดับนะ บรรดาก็คือการวางตัวเหมาะสมแก่สถานะของเราแก่สถานที่แก่เวลาแก่กลุ่มคนแก่บุคคลที่เราเกี่ยวข้องไอ้พวกนี้จะสัมพันธ์กับตรงนี้นะฮะกับหน้าที่การงานแต่ที่จริงหน้าที่การงานมันก็เกี่ยวกับสถานที่มาความว่เรานะสถานที่เวลาการงานกลุ่มคนบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง บางตัวให้เหมาะสมแก่สถานะแก่กาละกนั่นนันอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องทลายลามาที่ท่านมานยคนยังมีผ้าวิจารณ์ไอยูอย่ยเยอะมือคือยังมีคนตามมาต้องไปนั่งเลคเชอร์ในอย่างบนบนบนเตียงพยาบาลเนี่ยนะคือคนไม่ได้มองนะฮะ เรไม่ได้มองปัญหาว่าไอ้ตรงไหนมันมันเป็นขณะชีวิตเียมันเป็นขนาดนเท่นนา น, นั้นเองว่าขณะตรงนี้สถานาการณ์ตรงนี้จากช่วงดอนเมืองถึงวัดประวอร์เนี่ยช่วงนี้ถูกต้องที่สุดแล้วมันไม่มีทางทำอย่างอื่นได้ดีกว่านั้นถ้าเราไม่ให้เข้าเรารบกับโลกนะมีอย่างที่ไหนขนาดโนเบิลพลายแม่ข้าวประเทศ มันไม่มีอะไรเลยที่เราไม่มีสิทธิ์ไม่ให้เขาเข้าถ้าไม่ให้เข้าหมายความเรารบ ก, กับโลกเราอาจจะได้เพื่อนสองชาติคือจีนกับพมาแต่เราบ ก, กับโลกเป็นเป็นมติโลกเป็นเป็นประชาคมโลกทีนี้สมมติว่ามาถึงวัดบรวรไม่เข้าเรารบ ก, กับชาวพุทธทั้งโลกเยในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องรบ ก, กับชาวพุทธพมา่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็รบ ก, กับชาวพุทธโลก เป็นการผลักคนของเราให้ไปอยู่ในมือของคนอื่นโอยชาวพูดด้วยกันเขาไม่ยอมนะฮะเขาไม่ยอมรับด้วยกันนะ้คนอื่นก้นไปเพราะงั้นไอเ น, นี้ยคือถูกต้องที่สุดเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดพิเศษที่สุดถูกต้องที่สุดในกรณีนั้นได้ส่วนปนัญหากับพม่า ก, ก็เริ่มแก้กันก็แล้วกันเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนี่ยมันคนละเรื่องคนละตอนมันก็ถูกต้องในกาลในเทศะในกรณี วกนี้ปัญหายังอีกเยอะนะฮะไปดูกันแรกกันเราคงแก้กันอีกเยอะเราจะพ่อกับจีนกับพมา่าแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้สามประเทศนะเรามีพวกมากกว่าเราได้พวกมากกว่าการกระทําพราเราถูกมัตสิโลกนะผิดใจคนแต่ไม่ผิดใจโลกเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ปริสัทยุตากับปุกเลปุกโล巴拉แบรนยูตามันขัดกัน เรากากลุ่มคนเราได้แต่ปัเจกระนเราเสียเนการเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่นะฮะเราก็ได้มากกว่าเสียก็เหมือนกับกินอาหารเนี่ยนะกินอาหารที่จริงเราเสียสตางเยอะนะแต่ก็ได้มากกว่าเสียเลยก็ต้องกินเนี่ยนะอันนี้ก็คือก็คือการพิจารณาในแง่ของมัญญาติมัญญาติที่เราแสดงตอนนี้มันเป็นมัญญาติของมติโลก แล้วมาว่าสิ่งที่น่าสืบแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่กขว่าสิ่งที่น่าสืบคือใครไปชวนท่านเหล่านี้มาเพราะปัญหนานี้เป็นปัญหนานแน่นะตกใจเหงื่อแตกแรงมาบรุขาวนอนบนเตียงนี่ก็แตกตายเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่ต้องบอกว่าต้องรับเหยนะแล้วมาเราเลยต้องทําอย่างนี้ถูกที่สุด ส่วนข้างหน้าก็เริ่มแก้กันเมื่อวานนี้ก็เกิดเรื่องเมื่อกงดึกเกิดเรื่องกับพ่อม้กันอันนี้ก็คือก็คือก็คืออะไรก็คือเรื่องเรื่องมัน ญ, ญาตเห็นไหมฮะเราสํารวมระวังมัน ญ, ญาติแต่มั น, ม, นมันไม่ร้อยเปเนเนี่นะมันไม่มีทางอะไรที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอแต่ว่าได้มากกว่าเสียเท่านั้นเองก็เท่านั้นทีนี้ประการต่อไปก็คือคือสถานที่ ก็เร oh ียกว่าโคจรคือสถานที่สถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไปเนะี่ยคือเราไปในะสถานที่ที่ควรไปสถานที่เยอะในเมืองไทยเนี่ยนะคนอื่นไปได้เราไปไม่ได้โยมไปได้นะฮะป้าไปไม่ได้นะโยมแต่งชุดยูนิฟอร์มเข้าเข้าไม่ได้แต่ว่าถอดเสื้อแต่งชุดหม่ชุดนุ่งกางเกงยีนเข้าได้อะไรตัอะไรเห็นไหมมันมันมั น, ม, นมันมีตัางเยอะมันอยู่ที่สถานที่ คนนี้ไปได้คนนี้ไปไม่ได้เวลานี้ไปได้เวลานี่ไปไมได้มันมันมันหลายเรื่องไงนะอย่างที่เคยเล่าโยงฟังว่ า, ามาไปบรรยายให้พวกโรตารีฟังที่โรงแรมอะไรของคุณหญิงเดือดถักหลังเย็นเนี่ยนะเข้าไปกลาง ส, สามทุ่มเดินเข้าไปในหลังเย็นหมดไม่เคยเข้าโรงแรมกลางดึกขนาด น, นั้นเลยมันเอาไปบรรยายที่โรงแรมทุกวันก็ยังเขิน แต่ถ้าข้ากลางวันเนี่ยข้าได้นะะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกโร ง, งแรมมันเป็นสัญญาเก่ามันไม่ค่อยดีอ่ะภาษาไทยกับว่าโรงแรมนะเนาะมันภาษาที่ไม่ค่อยดีแต่เราเข้าไปกลางวันไปบรรยากลางวันเนี่ยเราก็ไปเยอะมานะะแต่เราก็ไม่รู้สึกมีปัญหาแต่กลางคืนนี้หลังเย็นเลยนะเข้าตรงนี้มันก็เสียวหลังยังไงไม่รู้เดินนนานในคนล้อมไปนะเราก็ยังเสียวหลัง มันมันบรรยากาศสถานะของพระสถานะของพระแล้วก็ยึดติเดเนิดหน่อยนะายความ่ยึดติดกับคำคำเรียกเดี๋นิดนะแล้วก็สายตาของชาวบ้านนั่นก็คือ เ, เรียกว่าโคจรตกลงว่าศีลอาจาระคือมัญญาควา ม, ร, ยายมวรับผิดเนฮะเราก็ดูว่ามันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมีการสัารวมมีการระมัดระวังมีการเปลี่ยนแปลง ไปหรือไม่นะฮะสถานที่ที่เราเคยไปในกาละหนึ่งคือเราจะเห็นว่ามันเดินเดินแบกจากบรรยายให้นักศสาวฟังเมื่อวานเนี่ยแนคิดลักษณะสังคมอะไรเนี่ยคือมันเดินไปถึงท่อน้าจรงนั้นพอดีคือทําให้เราเห็นว่าสังคมสังคมเราเนี่ยอบนี้มันเหมือนกับคลองบับอบบอเนี่ยนะเหมือนกันน่ คลองวัดอรเป็นยังไงเวรนี้ในหลวงเอาใจพัฒนามาทํำโอสารพัดเลยในหลวงลงทุนเยอะทําเพื่อให้น้ํามันใสแต่เครื่องเครื่องเครื่องทำออกซิเจนเนี่ยมันไม่ไม่กี่อันะเครื่องฟอกอากาศตอนนี้พอดีเครื่องเสียน้ําเริ่มดําแต่ไอของสกปรกมันลงจากทุกุติลงจากทุกกุติเมื่อวานก็มีคนมาดูพราะกรณีมันก็เหมือนกับสังคมไทยเรา เอาแหละตอนเช้าเข้าววัดเนี่ยตอนรุ่งข้ามข้าวิคใช่ไหมฮเราจะเห็นว่าบรรยากาศต่างๆที่เราที่เราสัมผัสเนี่ยมันสิ่งที่เพิ่มกิเลสกระตุ้นกิเลสได้มากกว่ากระตุ้นธรรมะเพิ่มธรรมะรายการทางโทรทัศน์รายการทางอะไรมันก็กระตุ้นกิเลสและเวลาเนี้ยการระมัดระวังต่างๆก็ลดน้อยลงไปเยอะ เมื่อวานนีคนมาปรึกษาจะสร้างละครนะฮะจะตังะ้งภาพยนตร์สารานพิธีมันญาติไทยสารานพิธีจะทําเป็นเทปวิดีโอเนะี่ยอนามายเป็นที่ปรึกษาทาเป็นเทปทำเป็นวิดีโอมันญาติไทยเอกสารพิธีแล้วก็ละครชีวิตเรื่องเรื่องกรรมแต่กรรมออกกรรมปัจจุบันก็มีตัวละครสองตัวตัวละครสองตัวพี่กับน้องพ่อแม่อยู่ในชนบทครอบครัวมี4ี่คนพี่น้อง มีมีสีคนพี่ชายเป็นคนฉลาดแต่ชั่วนะฮะน้องชายเป็นคนโง่เด็ก็ดีพี่ชายเป็นที่รักของพ่อแม่น้องชายพ่อแม่ไม่ชอบแต่ผล ท, ท้ายก็ปนปือเฉพาะน้องชายเอ้พี่ชายลูกชายคนเล็กก็ไม่ก็ใจะใส่ตัที่กวนแต่ในที่สุดพี่ชายคนโตก็ถูกกล่ติดคุกปไปไปเรียนหนังสือในกรุงเทพตั้งแกล้งอะไรแต่และก็ว่าไปเลย น้องชายก็ดูพ่อแม่แล้วก็ไปทําความดีช่วยเหลือคนแล้วก็รับการสนับสนุนละครมันก็จบตรงนั้นเอามาบอกมันไม่ได้หรอกตรงนี้มันเขี้ยนตัวละครมากเกินไปคือเขียนเด็กตัวพี่นี่มากเกินไปมันต้องให้เด็กคนนี้ตอนออกจากคุกติดคุกสามปีแล้วมาบวชอายุยี่สิเอ็ดปีพอดีในบวชกลับใจได้บวชแล้วก็เปลี่ยนความ เพื่อให้เด็กกลุ่มหนึ่งของเราเวลานี้ที่ถูกสังคมทอดทิ้งคล้ายๆกับเธอเธอไม่มีโอกาสดีแล้วนะะเธอคิดอย่างนั้เนนะี่ยให้มีโอกาสดได้คิดว่าเราสามารถจะกลับมาได้ช่วยจะตีดีเจตผลแล้วก็ให้จบลงด้วยกรอนในเรื่องใต้ร่มกบสาวพัเ น, น, นะฮะที่พระองค์กริมานท่านเปลง่งท่าน อาจาร์ธุชีัต้นเขียนเป็นคำกรอนว่าผู้เอย๋ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนได้กลับตัวได้ไปนิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าทางสาไปคนนั้นเหมือนจันวันเพ็นลอยเด่นดูงามอารามสายไม่มีเมฆหมูมองทะยองใหญ่สองล่ารัปลายสว่างเลยย้ายจับภาพประจันขึ้นภาพประจัน์ขึ้นสว่างเต็มที่แล้วก็ปิดจบย้ายลงยังไงแล้วก็นึกจะเล่นทางนี้นะต่อไปเนี่ยอาจจะ อาจจะต้องต้องต้องมีอะไรเกิดมาอย่างอย่างยางคิดว่าเราเราต้องช่วยสังคมกันบ้างแล้วนะฮะถ้าเราเราไม่ไม่ช่วยกันนะคงคงคงคงจะยุ่งหน้าโดยูยังนึกไม่ออกนะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแรงมากไะเด๋ยนนี้แรงแรงไม้เกิดอะไรก็แรงหมดเรื่องเรียกว่าสีนหนึ่งสองสามนี่อุตรุดหมดเลยแล้วสีนข้อที่สี่นี่โกหกนี่คือเป็นเทคนิคได้ หมายความมาปราดเปลืองมากโกหกหน้าเฉยตาเฉยเลยคนโอ้โหมันเยี่ยมจริงๆเลยโกหกยิ้มยิ้มไหมนะฮะโกหกไว้เฉยๆเลยนั่นคืออะไรคือการสํารวมกายระดับศีลเราสํารวมไม่ได้ระดับศีลเราสํารวมไม่ได้มันก็มีปัญหาเราไม่ต้องพูดถึงระดับมันญาตรนะฮะระดับมัญญาตมันญาตรีไปใหญ่ เด็กไปอยู่เมืองนอกมาบางทีก็สักปีกว่าเนี่ยมาถึงมาคุยกั บ, ผ, บผู้ใหญ่นั่งขอบโต๊ะเลยผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้มันนั่งขอบโต๊ะเลยบางทียกเท้านะมันก่อนติดตามข่าวอประธานาธิบดีบินคินตันที่เขาน้าเนนะี่ยมีมีนักข่าวโส ว, วิจารน์นะี่ยนะมันนั่งวิจารณ์มันมันยกเท้าอะยกเท้าเราเราเห็นหน้ามันก็เท้าสองกันอย่างนี้โอ้โห มึงฝรั่งไงนะมึงฝรั่งแต่ว่าเราเปไม่ได้นะเรามันทําอย่างนั้นไม่ได้มันญาติมันคนละอย่างมันญาติอย่างนั้นเขาไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราเราจเห็นว่าพอถึงมันญาติเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมเห็นไหมเราไปยอมรับอิทธิพลวัฒนธรรมของต่างแดนไวมากแต่มันมันเป็นการเป็นการไม่ใช่รับแต่มันไหลเข้ามาเลย นะเพราะในดาวอะไรจานจานรับสัญญาณทางอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ที่ตามไม่ค่อยทันเพราะการตำาองราการพอถึงอาจารย์คือบัรยากชักยุ่งนะทีนี้พอถึงสถานที่เที่ยวไปคือสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ได้ เพราะว่าพวกนี้มันมีกิจกรรมที่โฆษณาไปการมพันธ์กระตุ้นเร่งรา้าวเช่าสถานีวิทยุเป็นคลื่นๆเป็นสถานีเลยโฆษณาปัญหาใหญ่ไนหะปัญหาใหญ่ถ้าเรามองแง่สังคมแล้วเป็นปัญหาใหญ่เลยประการสารวมกายเรามีปัญหาจึงมีอ า, ากรรมเพราะมีตัวเร่งอ า, ากรรมสภาพสังคมจึงเหมือนกรบครองวัดประวร์ใคลองบางลาพู คลองนไหนก็ได้นะครองบุญแดงไปนะเป็นๆกันเงี้ยคือหมายความไอ้สิ่งโสกโปรกที่มันลงมาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ดีเหมือนแม่น้ําเจ้าพระยาเราเนี่ยถ้าน้ําทางเหนือไอ้ริมคลองมันไม่มีอะไรลงไปมากนะมันสะอาดอะไม่ต้องกลัวหรอกขนาดที่มันลากฝุ่นลากดินลงมาทางข้างบนเนียไม่ไม่เท่าไรบางโปรตกร์แต่ทีนี้มันมันไม่ไหวมันลงริมทางตลอดเลยระยะเวลา ชีวิตเราเหมือนการเดินทางของแม่น้ําเจ้าพระยายนะมันไปรับสิ่งสกปรกมากกว่าน้ําที่สะอาดน้ําดินทางแทนที่จะช่วยมันมันมั น, ม, นมันฟอกให้สะอาดมันก็นําของสกปรกเข้าไปเพิ่มมากกว่าไม่ใช่ไม่มีอมันไปเพิ่มมากกว่าก็เลยแม่น้ำเจ้าพระยายเลยแย่ขนาดเราเรียกว่าแม่นะนี่ถ้าเรียกอย่างอื่นเราคงจะแยกมากกว่านี้มั้งอันนี้ขนาด เรียกว่าแม่น้ำเจ้าพญานะเรียกว่าแม่ยังทําตกปลูกไปเยอะเลยวันหลังก็ได้ดีนะเพราะการสํารวมกายสํารวมปราชาระดับศีลอยูเห็นว่าเรามีปัญหาระดับระดับอาจาระระดับมันญาตเรามีปัญหาทางวัตถธรรมระดับสถานที่เท่าไปเรามีปัญหาเพราะพวกนี้เป็นตัวเร่งทางเศรษฐกิจเดือนนี้มันเศรษฐกิจนําหน้า คนต้องการเงินได้มาอะไรกัน่ยมือตัวกระตุ้นเยอะรัฐบาลก็อยากได้ภาษีกลุ่มอานาจกลุ่มพิทุนต่างกัเยอะเพราะดูแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นพิษน ะ, ะเวลานี้มาเราจะมีปัญหาในด้านการสารวจระวังทางกายสารวจระวังทางวาจาไปใหญ่เลยสารวจ ร, ระวังทางวาจาเรียกว่าพูดจริงเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะมันต้องเท็ตได้เรื่อย ได้เรื่อยๆโบราณก็บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินคดกินคดกินไม่นานแต่เดี๋ยวนี้มันคดได้หลายปีก็ <c oughs> ได้หลายปีมันโกหกไปเรื่อยๆนะฮตะลอดต้มคนไปเรื่อยๆได้รืยกๆกิจกรรมพวกอะไรที่ต้มไปปากเนื้อปากกลางปากตาไปสาแม้ในจังหวัดเดียวเนี่ยมันก็เที่ยวต้มอยได้หลายอนะ่ะ ก่อจะจับได้ไล่ทานแล้วก็ห น, นีไปอยู่ที่อื่นก็ต้มไปเด้เลยๆเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาใหญ่แต่เรามองภาพรวมเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าแก้ยากแต่ทำยังไงเราคงจะแก้ที่ตัวเราให้ได้ก่อนที่ที่ที่เคยพูดเน้นย้ำอยู่เสมอว่าไอ้รูปแบบเนี่ยเราไม่ต้องไปติดอะไรมันมาก แต่ว่าทํำยังไงเพาความชั่วมันลดความดีเพิ่มพอแล้วนะดูตรงนั้นพอแล้วไม่ต้องดูตรงเืเ่อมาหรอกดูตรงนี้คือถ้าเห็นว่าตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ถูกต้องแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงออกมาอย่างนี้ก็มีปัญหาแหละเพราะการปฏิบัติท่านจะเห็นว่าท่านท่านก็เอาครั้งแรกขอขอศีลก่อนขอศีลก่อนแล้วจึงเข้าไปที่มัน ญ, ญาต ไม่ใช่เอามันญาติก่อนนะมันญาติเปนเรื่องมันเรื่องมันเรื่องมันเรื่องเยอะมันเรื่องละเอียดกว่าเอาศีได้ได้ก่อนเพราะสีเป็นอันตรายนะฮะถ้าละเมิดศีแล้วเป็นอันตรายมันญาติมันมันก็เรื่อเสียสมบัติผู้ดีเลยนั่นเองนะฮะจริงจริงมันก็เสียเฉพาะตัวเราบางทีก็ถึงแม้จะกระทบกระเทือนแต่ไม่ค่อยแรงแต่ถ้าแต่ถ้าเรื่องศีน่าจะแรงเพราะฉะนั้นท่านเอาที่อันตรายแรงไปก่อนเกิดสัมรวมที่แรงให้ได้ด้วยกัน มาถึงก็สํารวมวาจาถึงงดเว้นจากการเนี้ยก็ไม่มีอะไรนะฮะหมายความงดเว้นจากการพูดเทศพูดคำหยาพูดโอ่พูดูสอเสียพูดคำายาพูดเรี่องไรอย่างน้อยก็พูดให้น้อยลงหน่อยแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องก็อย่าพูดมันไปแต่ก็อีกฮะเราจะเห็นว่าการพูดเพื่อเจอเนี่ยฮะเป็นธุรกิจนะเรื่ ตลกมันขายเทปได้เป็นร้านๆเทปตลกเห็นไะหเพลงเพิ่ฝันอะไรต่างๆการแสดงอะไรต่างๆตงลงไวเเไ้เพื่อเจอกลายเป็นธุรกิจเพื่อเจอกลายเป็นธุรกิจพูดตลบตะแลงสำหรับตลบตะแลงกลายเป็นการประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตร์เป็นนิเทศศาสตร์เรียนก็เป็นศาสตร์นะ ตกลงว่าเราหากินกับความชั่วยอยู่เยอะพูดตรงๆไม่ได้นะพูดตรงตรงไม่ได้นะ ต, ต, ไไดต้องพูดได้ไม่จริงโกหกหลบประเด็นหลบประเด็นปนัญหากันไปเรื่อยเพราะงั้นพอมาถึงสำรวมวาจาเป็นเรื่องใหญ่เพราะสำรวมอาชีพอันนี้ปูเขาเลยอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องละเมียดละไม คือในแนวของพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไอ้กิจกรรมเต้นกินทากินเนี่ยนะฮะเต้นกินํากินเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นคนให้เกิดกิเลสเป็นบาปนะเห็นไหมคนก็อยู่ดีๆมันกระตุ้นให้เกิดกิเลสแล้วเราก็ถูกกระตุ้นยอมเสียเงินในเพื่อกระตุ้นด้วยแต่ว่าเราไปดูเริ่มกิเลสมันเกิด ผู้เจ้าถือว่าเป็นการเพิ่มบาบให้แก่คนนี้ก็มีนักเต้นคนหนึ่งก็ถือว่าสร้างทางสวรรค์เพราะให้ความบันเทิงแก่คนเนี่ยฮะครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้นแล้วแกก็ไปคุยพระพุทธเจ้าสอบถา ม, พ, า พ, าร ม, นะมพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งม่ยอมตอบไปนะฮะม่ยอมตอบพระยาบุตรแล้วเสร็จแล้วเมื่อแกขอร้องให้ให้พูดพระเจ้าก็บอกบอกด้วยกฎเกณฑ์เดิมมาความกิเลสเขาเพิ่มคือกิเลสเขาเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าทําให้เขาทําชั่วเพิ่มขึ้นทำให้ความดีก็ลดลงจะเป็นการเสริมสร้างบาปทางใจให้แก่เขาแต่เมื่อกลายเป็นธุรกิจนะฮะเราทําไงกลาเป็นธุรกิจมาหุ่มานะฮะร่ารวยมากเลพวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธุรกิจที่รวยที่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะไอรายได้เฉลี่ยต่อต่อคนเนี่ยนะ ต่อกลุ่มอาชีพเนี่ยพวกกีฬากระดาราเนี่ยอันดับหนึ่งกีฬากระดาราเราเห็นว่ากีฬามันก็มันก็ไม่มีอะไรบางเรื่องก็เป็นการเบียดเบียนแต่นี้ก็าชักจะประนีตไปหน่อย จ, จะแก้ประณีตไปหน่อยกีฬาก็เป็นการเบียดเบียนนะฮะดาราก็เป็นการหลอกลวงจะเป็นกลุ่มอาชีพที่ทํารายได้สูง เพันพอถึงสํารวมอาชีพแล้วกลายเป็นภูเขาเลยพวกนี้ได้รับสีนะให้ท่านท่านลองสังเกตนะสํารวมกายสํารวมอาจจารสัมรวมอาชีพที่จริงเรื่องสีเรื่องศีแต่นั่นเองตกลงว่าหนาวร้อนถิวกระหายปุรุจาราปรุรอุสาว ะ, ป ะ, ปะเป็นสภาวะคือเป็นทุกข์สัตว์เด่นนะฮะเป็นทุกข์สัต์สํารวมกายสํารวมอาจารสํารวมอาชีพ คือเป็นทำยังไงว่าอย่าให้สมุทยัยสะคือกิเลสมันมากเพราะถ้ากิเลสมากมันจะเป็นทุจจริตพอทุจริตแล้วอะไรมันก็เยอะแยะนะจะตามมาเนี่ยปัญหาต่างๆจะตามมาเยอะสํารวมเพื่อให้อยู่ในกรอบของสุจริตทางกายทางวาจากายวาจานะฮะกายกวา จ, าาาจาอาชีพอาชีพก็ ก, กายกวาจาก็าเป็นเรื่องหลับสี อาชีพยอย่างที่บอกว่ามันการได้มาเนี่ยคือสิ่งที่ได้มาตลอดถึงวิธีการที่ได้มาว่าทำยังไงจึงจะให้ได้มาในทางที่ชอบทำมากหรือน้อยไม่ได้แปลกนะสันโดษเนี่ยเขาไม่ได้กาหนดที่มากที่น้อยแต่กําหนดที่ความชอบทำของสิ่งที่เราได้มา ไ ม, ไ, ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคลอื่นรวยยังไงก็รวยไปเถอะก็เป็นแต่บาทอะไรนะ่ะนะก็ลูกศิษย์พระพุทธเจา้ามหาเศรษฐีห้าคนในกรุงราชสกุลนี่นมันรวยมหาศาลเนี่ยไม่มีใครเทียบพระราชาอย่างสู้ไม่ได้เลยแล้วก็รวยกันอย่า ง, งนั้นน่ยนะมหาเศรษฐีใหญ่ในกรุงราชสกุลอังคกะกามคธนะฮะห้าคนนี่ลูกศิษย์อุรจ้าท่างนั้นรวยมหาศาล เมนตากาศเศรษฐีขนาดแพะเป็นทองคําไ่ น, นะไม่รู้จะทำอะไรเอาทองคํามาทำแพะก็ถ้าก็รวยไปนะแต่ว่าเป็นการได้มาในทางที่สุดจริตกันนั้นมันซัมมาชีพก็คือการดูอาชีพในการเลี้ยงชีพเนี่ยมันให้ความสุขในปัจจุบัน เรเรียกว่าอยู่ดีมีสุขนะฮะอยู่ดีมีสุขมีอยู่มีกินมีอยู่มีใช้แต่ทำยังไงว่าอย่าให้ผลสืบเนื่องจากการเลี้ยงชีพเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตในอนาคตอย่าไปสร้างความเดือดร้อนในอนาคตแต่ว่าทีนี้ตรงนี้มันมันก็พูดญาอาชีพปัญญานะฮะผู้าจึงสงชใยคำบาลีเหมือนกันตุกแข่งนะ อีทาพิกเวพิกุอริยสาวโกมิชาชีวังปะหายะสมาชีวิตังกเปติแค่คำแต่นั้นเองดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายคนดีในโลกนี้ละการเลี้ยงชีพในทางทีพผิดมาดํารงชีวิตในทางที่ชอบก็ชอบตามสมควรแ ก, นะก่ฐานะก็ก็ไม่รู้ใครเลี้ยงอาชีพอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็มีกฎเกณฑ์ในการเลี้ยงชีพจุดนั้นแล้วเขก็เลี้ยงเขาถูกต้องเขาจือเขาถูกต้อง ก็สำรวมระวังในการเลียงชีพอยาให้ได้มาในทางที่ทุจริตรวยยังไงก็รวยไปเขาไปได้ว่าแต่ถ้ารวยมาในทางทุจริตแล้วพวกนี้อาจจะเป็นพาหะนำไปอันตรายมาให้เราครับแล้วก็ถงว่าตอนนี้รวยๆก็ลังดังอยู่นี้กำลังแดงดังอยู่นีวันนี้จู้แทนกับพี่ปลายตอนบ่ายโมง มันก็มันก็ผลรุท้ายนี่กลายเป็นไผ่ตัวอย่างตัวอย่างเขาเยอะนะฮะ่จริงแต่ว่าเราก็ยังว่านะคือถ้าคิดถึงเรื่องตายไปบ้างอนะเมื่อวานเนี่ยไปออก็ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเริ่มบรรยายครั้งแรกเมื่อวานเนี่ยนะก็เตือนลูกศิษย์เพราะว่าเป็นห่วงเวลาเนี้มันมีเรื่องแปลก ทุวัดต่างๆที่ทาบุญอดีตเจ้าวาดอะไรแต่มันถวายเยอะเหลือเกินไม่เคยเกิดปรกากฏการณ์นี้สองสามปีมานี้มันมันเกิดชาวบ้านมันแข่งอะไรกันนะมังทายกวัดเหล่านั้นนะฮะรับเป็นเจ้าภาพคนนั้นรับเเจา้าครอเจ้าคอบบจัดของถวายเล่นกันเป็นหมื่นถวายพระเนี่ยเลยพระก็เที่ยวสับประกอบกนนี้ยไม่ต้องทางานกันนะลกมันมันมันมวิีนะอันตรายนะ อันตรายต้งเงินเข้ามามากเลยอันตรายคือตั้งเงินเพื่อส า, ส า, สาธารณประโยชน์ไม่แปลกอันนี้มากยิ่งดีนะฮะแต่ตั้งเงินไปอยู่ที่ปัจเจ ก, กชนแล้วจะมีปัญหามันไปกระตุ้นโลภเปินอาชีพบรรจักจะไม่สุจริตนะคุณรับเจะห้าพันคุณห้าพันคุณหน้าพันบางคนมันได้นะบางคนมันเลือดซิบนะบางคนต้องยืมเขารักษาหน้าตัวเองนะ คนรอมชอบขายผ้าหน้ารอดอยู่เลยแล้วมานึกถึงวัดในริมแม่น้ําแห่งหนึ่งเนะี่ยถามว่าทําไมวัดแถนี้มันหรูเหลือเกินพระไม่กี่องค์ชาวบ้านมันแข่งกันนะชาวบ้านแข่งกันนู้นวัดน้องก็สร้างโบสถ์เราสร้างด้วยเอา้าสร้างใหญ่ขยายใหญ่ขยายสูงเอา้าแข่งกันนะแล้วคนรุ่ท่านเขาทำอะไรฮนะอันนี้คือคือคืออะไรคืออาชีพ มันจะมีปัญหานะอาชีพมันจะมีปัญหาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องขายอะไรต่ออะไรกันอุตลุขายเรียนเปนธุรกิจกันก็ได้ก็ยุ่งกันอยประการต่อไปเนี่ยการศึกษาถึงสิ่งที่ตกแต่งพบชาติ อันนี้บอกตรงเลยนะเตรียมตัวตายแต่ให้ตายดีตายไปเกิดนะในานๆดีเพื่อบังเกิดในชาติต่อไปบอกไว้เลยให้เราตรวจสอบดูเราพร้อมจะตายอย่างไรมั่นใจแม้ว่าจะไม่ตกนรกตรวจสอบดูตัวเองว่าเร า, เร า, เ, ราเราพร้อมจะตายไหมแล้วถ้าตายเรามั่นใจว่าเราไม่ตกนรกจานวนอย่างหนึ่งทงชัยกล่าวมาไม่กลัวต่อปาราโลก ชีวิตข้างหน้ามันอีกมากม า, กายไกลกองครับเราจะต้องเกิดอีกเยอะจ้ะแต่ว่าทําไงให้มันเกิดดีกว่านี้ทำยังไงว่าจะเกิดดียิ่งกว่านี้แต่ว่าอยู่ในความคิดนะในความคิดอย่างเอามาเอามาเป็นผลชักวิชอบความคิดท่านสีเทวมิตรนาคาริตรทองปาลท่านเป็นลูกเศรษฐีชาวลังกา แล้วก็เกิดมาตอนนั้นอังกฤษปกครองหลังก้าถูกบังคับให้ชื่อเดวิดชื่อตามพระคำพีต่อมาแก่ศึกษาเรื่องศาสนาพุทธต่อสู้เพื่อพุทธศาสนานะฮจนนั้นบวดบวดทํางานไม่คล่องไม่คล่องตัวเป็นพระนี่ทํางานไม่คล่องตัวถ้าจะทํางานอย่างนี้มันที่จริงมันมันต้องครึ่งพระ ค, ค, ครึ่งครึ่งชับบ้านไม่ใช่ครึ่งพระ ค, ครึ่งคนนะครึ่งพระ ค, ค, ค, ครึ่งชาบบ้าน คือรักษาขนาดสีแปดหรืสีห้ากับปอจะทําทำงานคร่องตัวธนาคาริกท่านก็ออกเป็นธนาคาริกทำงานเผยแผ่ศาสนาฟื้นฟูนนที่ลังกาที่อินเดียนะฮะที่ที่ท่านที่ไปอินเดียจะเห็นว่าที่สารนาฏนะฮะสารนาฏสมาคมมหาโพธิสมาคมเนี่ยเป็นกับเรืเ่องของท่า น, น, นท่านอธิษฐานขอเกิดอีกยี่สิบห้าชาติ เกิดเป็นมนุษย์ไม่ไม่ขอเกิดเป็นเทพไม่ขอเกิดปไปไหนเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พระศาสนาเพื่อรับใช้พระศาสนาคือพวกนี้เชื่อว่าพระศาสนาจะเสื่อมปศร 5,000 ผู้ 5, นี้เชื่ออาจารย์อาจารย์ที่เรียนปัญญาโทนี่เฉียงกันมาเรื่อยเรื่องเรื่องนี้ก็ชื่วจางเนี่ยมาไม่เคยเชื่อก็เเชื่ออะไร คือเถือวศาสานาอาจจะอยู่เป็นหมื่นหมื่นปีก็ได้นะถ้าถ้าเรารักษากันได้ดีเผยแพร่กันดีสั่งสอนกันต่อนเนื่องกันไปแล้วคนเห็นคุณค่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่อาจจะเสื่อมอีกไม่กี่ปีก็ได้แต่คนเลิกปฏิบตัติคนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับศาสนาก็จบแต่นั่นเองไม่มีอะไรศาสนาก็เป็นสังขารอย่างนึงแต่ว่าท่านเชื่อว่าจะอยู่ได้ถึงตอนนั้นเหมือ น, นท่านขอเกิดอีกยี่สิบหชาติคิดว่าชาติละร้อยปี ตัวเฉลี่ยนะตัวเฉลี่ยว่าเตวตว่เยังจากไปแล้วจะตีเกิดอยู่อีกก็นั่นก็คือคิดอีกแนวคิดแบบพระโพติสัตว์แต่ไม่ใช่ประโพธิสัตว์แบบจินนะเป็นพระโพธิศสัตว์แบบไทยอ่าแบบเทรวะนะครับว่าตัวเองจะทํางานรล้วใช้ศาสนาแล้วก็อยู่ในโลกมนุษย์ร่มร่วมร่กับมนุษย์นี่แหละแต่จะอยู่แค่ยี่สิบห้าชาติแล้วขอนิพพานแล้ว ทีนี้คนจะคิดอย่างนั้นก็ดีนะคิดอย่างนั้นก็ดีแต่ทีนี้ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้ภพชาติที่ประณี่ขึ้นไปกว่านี้มันมีอีกเยอะภพชาติแต่มันภูมิของจิตเนี่ยนะคือโยมมองดูอย่างนี้กันแล้วกันว่าภูมิจิตเราสูงขึ้นเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนได้สมมติว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเราเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องผ่าตัดตะกีนเนี่ยคกื้อมาได้ความคิดมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยนะตั้เอสังฆราชเจ้าเนี่ยถูกผเผาไส้หมา อ, าอยู่ข้างนอกเ ป, ป็นปีเลยตันบอกว่าเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวหมอทาอะไรก็ทําไปไม่เรื่องของกันเกิดตันชาก็ว่ากันนะ่ะนะฮ <c oughs> แล้วเฉยตันไม่รับรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย เรายกจิตขึ้นเหนือสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเอาก็าจริงเราทําอะไรไม่ได้มันเหมือนกับลูกหลานเหมือ น, นอะไรก็ตามบางอย่างที่เหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้นยอย่าไปปวดหัวเดือดร้อนเสียเวลาเราไม่ได้แบกโลกนะอย่าไปแบกมันทําไมเราไปทําอะไรไม่ได้ก็จบท่านั้นเองกรรมนาวตติโลโกโสาตตังหลายก็เป็นไปตามกรรมไปมันมีจุดหนึ่งที่เราทําอะไรไม่ได้แต่ที่ยุ่งเนี่ยคือเราเราทำไม่ได้แล้วเรายังไปวุ่น รักษาพยาบาลทากันเต็มที่พอตายแล้วร้องไห้ร้องไห้หทําไมหลงก็ตายมันเรื่องของเขาอ่ะเราไม่เกี่ยวหน้าที่ของเรามันเกี่ยวตอนตอนเป็นได้ต้องการจะช่วยพยาบาลตอนตายมาอีกหน้าที่หนึ่งหน้าที่คือจัด ก, การศพแล้วกันเห็นไหมว่านั่นคืออุปาทานในเรื่องที่เราทําไม่ได้คนตายจะทําให้ฟื้นไม่แน่จริงก็บอกฟื้นก็ไม่เอาอะนะวิ่งหนี มิจิจะเอายังไงอะสับสนเนะีน่ยคนสับสนลองตายมาสามวันลุกขึ้นมาจากโรงดูสิฮะวิ่งกอดหรือเปล่ามันก็เปล่าอีกอะม่ไมคือมันสับสนนะฮะจริงจริงมันสับสนเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเอาหรือเปล่าเราจะทาอย่างงี้ไหมไปร้องไห้ไปทําให้ตายก็ตายอะตายก็มีหน้าที่อีกตอนหนึ่งบางคนละเรื่องกตนะ่หน้าที่ระหว่ า, างเรากับผดดู้ตายซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาตพี่น้ หรือบางทีลูกหลานเรื่องอะไรก็ตามหรือข่าวคราวบ้านเมืองอะไรก็ตามนะคือบางอย่างเนี่ยข่าวก็สักแต่ว่าข่าวเราฟังไป ร, รับรู้ไปโอกาสดีๆก็ใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่อะไรเนหรือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาสืบต่อได้เราก็ศึกษาสืบต่อเพื่อใช้ประโยชน์นะแต่ก็อย่าไปยึดบ้านถือม้านคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่า ง, งา น, น, น, างนี้คนโน้นอย่างโ น, งโนมันดือร้อนเปล่านะ ที่ะเจรับสั่งว่าณาปรสีสังวิโลมานินาปรสีสังอากตาเกาตังจะไปสนใจเรื่องร้ายสาระของคนอื่นหรือทําแล้วยังไม่ไทําของคนอื่นแต่สนใจเรื่องที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงกันว่าทํำยังไงให้เราพร้อมตายตายมาเลยก็ตายนะนอนยิ้ตายเลยก็ดีเหมอือนกันนะสํานวนสำนวนที่บาลีตั้นใจว่าเหมือนทําลายพระาชนะดิน ไปใช้พรจาหนะทองคำตำรวจมาเรียบถือเอาพระเจาหนะทองคำฟังย่ากหน่อยนะ่ยเรื่เอามาเลยมาคิดใหม่ว่าเหมือนก็นย้ายจากกรุงโตไปอยู่ปราสาทเรา ม, มีความดีหรือกลัวอะไรตายไม่ได้ก็ตายนะนีแต่เราอยู่อยู่ก็ได้เราก็ได้ทํางานต่อไปทำความดีต่อไปเราก็ไม่ได้แปลกอะไรอย่าถึงกับดิ้นรนเพื่อจะตายนะดิ้นรนเพื่อจะตายนั้นก็เป็นวิภาวะตัณหา ใช่ไหมฮะไม่อยากตายก็เป็นเพราะว่าตัณหาไม่เป็นตัณหาทั้งนั้นมันเป็นตัณหาทั้งนั้นหมายความว่าไม่ตายเราก็ใช้ประโยชน์ไปวันนี้มีชีวิตอยู่เราก็ทํางานไปพรุ่งนี้ตายก็แล้วไปตายก็ตายไปแต่ว่าให้มันมีความพร้อมหมายความว่าเวลาแต่ละขานาดเรากล่ความตายเข้าไปแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเหมือนกับตอนตอ น, ตอ น, ต, อนตอนข้าวไปอยู่ก็ผ่าตาัดอันนี้นนะก็ห้าสิบห้าสิบไปไหนก็ไป น, น, นะ ก็ไม่สนใจอะไรฮะใครจะเอาไปไปไหนก็เอาไปเราก็ไม่หวาไรเราก็ไม่ใช่เราแล้วนะะแต่ว่าให้มั่นใจให้มั่นใจว่าเรามีบุญกุศลที่จะเป็นเครื่องอาศัยตกแต่งพบชาติทรงใช้คาตรงเลยว่าตกแต่งพบชาติตกแต่งพบชาติเพื่อบังเกิดในชาติต่อไปให้มันเกิดดีกว่านี้ได้ไหม มันเกิดมันเกิดได้เรายังมึงยังไม่ถึงก็ไม่เกิดแล้วนะมันมันแม่มันยังอีกไกลเลยเกิดนะแต่มันเกิดให้ประนีตขึ้นอ่ะเกิดให้ประนีตขึ้นตบแตกพบชาติคือภูมิจิตเราสูงขึ้นเราจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะอย่างนี้เราเออเปนเรื่องของเขาเราไม่เป็นแบกไม่ไปยึดไว้ก็ปล่อยก็ไปก็ธรรมดาอก็ด่าก็ปล่อยก็ด่าไปอ่นะ แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่แบกอะไสิ่งนั้นนะในขณะที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเราไม่เดือดร้อนบานท่านที่เราถูกดา่าแต่เราไม่รับคนด่ากับเดือดร้อนเองร้อนต้องวิ่งจเจ้า ก, ก, ก, กลางดึกต้องวิ่งไปเอาไปเอเอใส่ตำตู้ไปตะีที่เขส่งมามานนี่ลงแต่วสามเส้นเองฮเมื่อวานที่มาจากมุกดาหารก็เป็นไปต ะ, ะนีสามเส้นก็แค่นี้ฮะ เขาเหนื่อยเ้าเดือดร้อนนะเราก็อยู่สบายืบายนะเพราะงั้นทำยังไงว่าเราพยายามยกจิตให้เหนืออารมณ์นะเรากิดแต่เหนืออารมณ์ที่มันจะเรื่งกิเลสแล้วก็พยายามที่จะรักษาจิตไว้ในจุดนั้นแล้วก็เพิ่มทุนต่อไปให้มันมันเสริมความแข็งแกร่งของจิตตายเมื่อไรก็ช่างมันานะนะไม่ต้องไปติดใจแต่ให้มั่นใจว่า เราไม่กลัวตกประโลกและเรามั่นใจว่าเราไม่ตกนรกให้มั่นใจตรงตรงนี้ไว้อะหมายความว่าก็ต้องสร้างบุญกุศลอีเกเยอะ ว, วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง่องามไปบุญในธรรมจงมีท่านสาวชนทนายโดยท่วกันทุกท่านถือ